พระบัญญัติ490ก็ภิกษุใดรู้อยู่น้อมราดที่เขาน้อมไว้เป็นของจะถวายสง์ไปเพื่อบุคคลต้องอวดปาจิตตีเรื่องพระชัพพคีจบ